การที่เรารู้กลไกจะทําให้เรามั่นใจทําไมผมต้องวิเคราะห์โรคเพื่อให้เรารู้กลไกทางวิทยาศาสตร์ว่าโรคนี้เกิดมาแบบนี้เป็นไปแบบนี้หายไปแบบนี้มันจะหายได้ด้วยวิธีนี้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเข้าใจกลไกทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมันก็จะไม่สงสัยเรื่องโรคกัไก้เจ็ดนะครับอ้าวมาดูเรื่องโรคมะเร็งก่อนนะมะเร็งเพราะว่าคนเป็นกันเยอะแล้วก็ตายกันเยอะมะเร็งตายอันดับหนึ่งของโลกนะ รวมทา้งประเทศไทยด้วยตายดับหนึ่งเลยหมอเป็นหมอกะตายนะคนไม่ต้องอเออคนก็ไม่ฉุกคิดนะคนนี้เขาไม่ค่ยได้ฉุกคิดหมอเป็นหมอเองตา ย, ยนะคุณก็ไปรักษาคนที่แม้เขาเป็นเขาก็ต้องตายแม่เราเป็นเขาไมานะ่เหกการตัวเองไม่ได้เอล่ะเรามาดูดีกว่าว่ามะเร็งเกิดได้อย่างไรนะมะเร็งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ มะเรเนี่ยมันเกิดจากภาวะร้อนเกินต้นเหตุห้าสาเหตุหลักนั่นแหละก็ให้ไปดูห้าสาเหตุหลักชึเอาให้โชว์ดูดิห้าสาเหตุหลักห้าหกสาเหตุหลักนี่แหละนะมันทําให้เกิดทุกโรคตอนนี้เนี่ยเนีเนี่ี่ยสาเหตุของความเจ็บป่วยทีละห้าหกสาเหตุหลักเนี่ยมันทําให้เกิดโรคขึ้น เมื่อใครมีความเครียดกินอาหารเป็นพิษไม่การบริหารหรือการบริหารไม่ถูกต้องมีมลพิษรับแต่มลพิษแม้วแก้พิษไม่เป็นแล้ผัดเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าเครื่องนิรศริกเกินความสมดุลบริหารจัดการองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพไม่รู้จักการความสมดุลในชีวิตทั้งหมดนะครับ มันก็จะทําให้เกิดภาวะร้อนเกิดในร่างกายเพราะพวกนี้มันจะร้อนความเครียดก็ทำให้ร้อนอาหารเป็พิษก็ทําให้ร้อนอ่าการการบรญหารไม่ถูกต้องมันก็ทำให้ร้อนมวลรังสีมันก็ทําให้ร้อนเครื่องไฟฟ้าเครื่องไอซ์แอมมิชเครื่องยนต์ก็ทําให้ร้อนเหตุพวกนี้มันทาให้ร้อนในร่างกายทั้งหมดเลยแหละทั้งร่างกายร้อนทั้งสังคมสื่งแวดล้อมร้อนร้อนนะครับเมื่อมันร้อนขึ้นเนี่ยมันจะเกิดกลไกอยู่ก็คือว่าความร้อนที่มันมากมากๆากนี่มันจะเผาเนื้อเยื่อของเราให้แข็งแข็งคล้ายๆกับ แข็งคล้ายๆกับเนื้อเหมือนกับเนื้อที่เราเอาไปไปต้มหรือเอาไปย่างเนื้อเอาไปย่างมันจะแข็งใช่ไหมไปโดนความร้อนแข็งขึ้นเนื้อเอาไปต้มแข็งขึ้นไหมแข็งขึ้นนะจากเนื้อนิ่มๆเวลาถูกความร้อนมันจะแข็งขึ้นเมื่อมันแข็งขึ้นนะครับโดยสัดจ่วเข้ามาเนี่ว่ามันแข็งขึ้นฟุ้งเนี่ย เมื่อมันเผาถึงรอบหนึ่งนะเลือดลมเมื่อมันแข็งขึ้นเนี่ยเลือดจะเข้าไปเลี้ยงเลี้ยงเซลล์ตัวนั้นไม่ได้เพราะมันแข็งมันกดรักเส้นเลือดนะ เ, เลือดจะเข้าไปเลี้ยงไม่ได้อาหารเข้าไม่ได้ของเสียออกไม่ได้เซลล์ตัวนั้นจะแข็งแล้วก็ตายเซลล์จะเริ่มเสื่อมแล้วก็ตายพอเซลล์เสื่อมแล้วก็ตายทําหน้าที่ไม่ได้ <Okay. S 1> แข็งแล้วก็ทําหน้าที่ไม่ได้เพราะมันไหลเวียนไม่ได้แล้วมันแข็งมันจะไหลเวียนไม่ได้เมื่อมันไหลเวียนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเอ่อเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเซลล์มันตายมันใช้การไม่ได้ ร่างกายจะมีกลไกผลิตเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาแทนหรือเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนพอผลิตขึ้นมาแทนปุ๊บความร้อนมันก็ยังอยู่เหมือนเก่าแต่เมื่อความร้อนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผลิตขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ทันได้แข็งแรงเลยนะถูกเผาแล้วให้แข็งอีกอย่างอ๋อแข็งก็แปกได้อีก เขาก็ผลิตด้อยเยอไใหมขึ้นมาแทนอีก็ถูกเผาแล้วก็แปะไว้ถูกเผาให้แข็งแปะไว้ถูกเผาให้แข็งแปะไว้ถูกเผาให้แข็งแกวแปะไว้เป็นกลไกอย่างนี้ผลิตขึ้นมาก็ถูกเผาให้แข็งแปะไว้แปะไว้เรื่อยมันก็งององอก็งอแบบนี้เขาก็เรียกมันว่างอถ้ามันงอไม่หยุดเขาก็เรียกว่ามะเร็งมะเร็งก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับนี่เป็นเรื่องงอนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือมะเร็ง หร right? ืใครกินอาหารร้อนเนี่ยแล้วร่างกายันขับออกไปกองไว้ที่ใดที่หนึ่งีมันขับยังไม่หมดมําจะเป็นก้อนขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาแต่างผมเนี่ยถ้าไปกินอาหารไขมันเยอะๆนํามันขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเนียนๆในตอนนี้มนยังเหอยู่จริงๆนิดๆเลยนะปกติมไม่ค่อยขึ้นอาทิตย์ก่อนๆนั้นนะไปซี่สติเยร์โซก็เขาไปกินของอร่อยเขาเนาะของผัดของทอดเลยรเขาเยอะๆเนี่ยขึ้นมาแล้วหนึ่งวันมาเลยเป๊ะเลยเนี่ยเนียๆๆขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมา คือเราเป็นก้อนขึ้นที่สะโพกเป็นก้อนขึ้นมาเหมือนกันนะเออเราก็เห็นเดินมาขึ้นมาเป็นก้อนเป็นก้อนก้อนคือพิษที่มันดันออกมาก็เห็นพิมันดันออกมาโอ้คังก้อนเี็ก็อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราถอยพิษเราออกมามันก็ยุบยุยุบไปยุบไปเล็กแล้วนี่เดียวเนี่ยเออมันก็เหลือที่เดียวอ่าที่จะโพกมันกหายไปหมดละที่นี่ก็เหลือที่เดียวเราจะเห็นว่าโอ้เดียขนาดเราดูแลร่างกายตัวเองดีอย่างนี้นะแล้วไปกินแค่บางครั้งบางคราวเรายังเห็นเลยที่มันเป็นก้อนขึ้นมา เห็นก้อนขึ้นมาเสแล้วคนยังไม่รู้สมรุ้เลยอ่ะทราบแต่ทุกวันจะเป็นยังไงจะเป็นก้อนขนาดไหนจะมากขนาดไหนนี่ขนาดมผมผมมันใช้ไปกินวันสองวันเองนะล้างสองอาทิตย์ยังไม่หมดเลยเนี่ยวันปูดขึ้นมานีนะ่กินแค่วันของวันล้างสองอาทิตย์ไม่หมดนะคุณคิดดูสิแล้วเสร็จแล้วคนทั่วไปกินมากี่วัน ถ้าจะให้หายเจ็ดวันงี้แม้มันไม่หายเร็วนักหรอกนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ช้าดังบอนใจเราไม่เร่งใจเราสบายเราากักผียนปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องเครียดไม่เร่งผลมันมันจะหายเร็วเองหลายคนมันจะเริ่มอ่ อ, อ, อนหเห็นนะมนี่ก็เห็นมันก็อ่อนลงทุกวันน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวนันก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วโก็คนที่เขาเป็นมะเร็งมันก็คงมากนะคงมากกว่านี้ของเราจะเป็นนิดนิดหน่อยหนอยก็เห็นแบบนี้ เขาก็จะมากซึ่งมันก็เป็นธรรมดานะผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรก็เริ่อธรรมดานะก็เหมือนของเราที่เป็นตุ่มขึ้นมางอกขึ้นมาอย่างเงี้ยงอกเป็นก้อนขึ้นาเกันนะก้ขึ้นมาตุ่มขึ้นมาอ้าวขึ้นมาแต่เราปฏิบัติก็ยุบไปอ้าวแล้วเราไปกินของร้อนอีกขึ้นมาอีกนะมันขึ้นมาด้วยสองเหตุปัใจัหนึ่งมันเผาให้แข็งสองเนี่ยมันขับเอาพิษตัวนั้นเช่นไขมันไงนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินอ่ะมันเกินในร่างกายมีมันมันที่เสร็จแล้วมมมมััััันนนจจะะไไไ่่่่รรบบบขปกองททีี ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังครับเพราะท่านเล่าให้ฟังว่าจริงๆร่างกายมนุษย์นี่ยมันประกอบด้วยอุตุพิชะกจิตกรรมธรรมะชีวิตมนุษย์นี่นะชีวิตมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยห้าส่วนเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นร่างกายนี่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันคือพืชส่วนที่เป็นร่างกายของเราเนี่ยมันคือพืชเสร็จแล้วพืชเนี่ยมันจะรับเอาสารที่มันต้องการเท่านั้นไอ้สารที่มันไม่ต้องการมันไม่เอานี่มันเป็นลักษณะเหมือนพิชะมันจะรับเาเฉพาะสิ่งที่มันต้องการ ถ้าเราใส่สิ่งที่มันต้องการเหมือนพืชอะไรที่มันต้องการมันไม่ดูดเราแต่อะไรต้องการมันก็ดูดเราครับคราวนี้เนี่ยไอ้ที่มันดูดไปใช้สังเคอาเป็นตัวเราเนี่ยมันจะดูดเฉพาะสิ่งที่มันต้องการแต่สิ่งที่มันไม่ต้องการมันก็ไม่ดูดเพราะหนึ่งมันไม่ดูดมันก็ไม่ดูดเพราะไม่ดูดเป็นไงมันต้องขับมันแค่แหละมันต้องขับออกขับออกมันก็ไปกองไว้ที่ใดที่หนึ่งกองไว้กองไว้กองไว้กองไว้มากๆเรื่องลมมันก็ไหลเรียนผ่านไม่ได้ใช่ไหมมันเบียดเรื่อยๆใช่มไหมพอเบียดเรื่ ประด็นเนอย่อใหม่กระแทนอ้าวก้อนแล้วเขาเราก็กินอาหารผิดเข้าไปมันก็ไปกองไว้ที่เดิมอีกมันก็เปลี่ยดฐันเข้าไปอีกนะมันก็ในในจะทำก็ตายแล้วก็ความร้อนก็เผาด้วยอย่างที่ว่าความร้อนก็เผาให้เนือน้อเยื่อตรงนันตายก้อนแล้วก็อัดเนื้อเยื่อให้ตายก็อีกแล้วเราก็กินอาหารไขมันกินอาหารที่ร้อนเข้าไปอีกนะร่างกายมันไม่รับมันก็อัดไปไว้อัดไปกองอัดไปกอง ถ้าที่มันอัดไปกองมันก็ไปกองไอ้นเนื้อเยื่อที่ถูกเผาตายมันก็เผาตายถูกเบียดตายก็ถูกเผาตายมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเขาก็ปลิตตันใหม่ขึ้นมาแทนก็ถูกเบียดตายอี ก, กถูกเผาตายอีกผลิตขึ้นมาไหม่แทนถูกเบียดตายถูกเผาตายอีกตัวงก้อนมะเร็งที้ประกอบด้วยสองส่วนหลักๆหนึ่งธาตุอาหารที่ร่างกายไม่รับถ้าตุอาหารที่ร่างกายไม่รับมันเอาไปกองไว้อันที่สองครับเนื้อเยื่อที่มันแข็งตายสองอันเนี่ยเซลล์ Al มะเร็งประกอบด้วยสองส่วน สอหลักๆนะครับที่ผมชัดเลยในธาตุอาหารเวลามันไม่รับเนี่ยมันมันดันออกมาเนี่ยที่ทอมันดันออกมาที่สะโพกบางวันม้นจะกินมันกินมากกว่านี้ไม่อยู่ถึงน้มันจะดันออกมาที่หน้าเป็นผิวมันก็จะดันออกมาที่หน้าพผเรื่อยๆเราเห็นชัดเลยเราก็เห็นชัดอูก็ไปอย่างนี้เองต่ก็เห็ชัดเพราะว่าอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายต้องการมันจะไม่รับเดินจะขับออกมันเดียวมันจะไปกองไว้ตรงนั้นตรงนี้ถ้ามันมากมันก็กองไว้ปางวันบางนกก้อนอะไร มันรวมกับเนื้อเยื่อที่ถูกเบียดตายถูกเผาตายก็กลายเป็นก้อนมะเร็งเป็นอยอย่างนี้แหละมะเร็งไปอยูอย่างนี้นะครับ <c oughs> แต่แล้วพอเราแก้มันก็หายไปเนี่ยคืดูซิมันยุบยุบยุบไปเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าแก้แล้วมันยุบปัญหายไปได้ยังไงอะไร <c oughs> นี่กลไกการเป็นมะเร็งอีกแบบหนึ่งนะครับคือแบบก้อนขึ้นมามะเร็งอีกแบบหนึ่งครับร่างกายมันร้อนมากแล้วร่างกายไม่สามารถผลิตเนื้อเยื่อขึ้นมาแทนความร้อนนั้นเผาเนื้อเยื่อให้เปลิ่ย เปื่อยเน่าเปื่อยเน่าเปื่อยเน่าไปเรื่อยร่างกายผลิตขึ้นมาแทนไม่ได้นก็จะเปื่อยเน่าไปเรื่อยเราจะเห็นว่าฟังมะเร็งบางอันโอ้เม้นเน่าเปื่อยเน่าเปื่อยเน่าไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นมะเร็งอีกแบบหนึ่งมะเร็งอีกแบบนั้นความร้อนเนี่ยมันเผาเนื้อเยื่อของเราให้ผิดรูปเผาให้ผิดรูปไปแมันก็จะเสียหน้าที่นะครับอันนั้นก็จะเป็นมะเร็งอีกแบบนึงวิธีการแก้มันเหมือนกันหมดเลยก็คือถอนพิจารนออกคราวนี้ถ้าเราถอนพิจารณ์ออกระยะเก้าเมตร ยาเก้าเม็ดเนี่ยท่านไมีคิดพุดนะไงล่ะนี่ละยาเก้าเม็ดที่ว่าไปเถ้าเราถอนที่สอนด้วยยาเก้าเม็ดอะไรนจะเกิดขึ้นยาเก้าเม็ดก็ทั้งมีอะไรนะควรสั้นๆก็พูดถึงหอมันนะนี่ก็น้ำโพลีฟินหรือว่าน้ำสมุนไพรผสมดุลใช่ไกัวซาส่วนล้างลำไส้แช่มือแช่เท้าด้วน้ำสมุนไพรท่อทายอดประกบอกาด้วยสมุนไพรนะ ออกกำลังการยกดจุดลมตราณใช่ไหมเลี้ยงประทานอาหารสอบสมดุลใช้ธรรมะทาใจให้สบายผาสุขทําใจให้สบายให้ใจมีความผาสุขขันธ์ยความเครียดไม่รุตตรงบลเตรียมพักให้พอดีนะอ่าประกอบวิญญาณเก้าเม็ดพวกนี้เมื่อเราทำยาเก้าเม็ดแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อทำยาเก้าเม็ดนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เช่นเรากินน้ำโพลีฟีนหรือเรากินอาหารริทเจนอะไรต่างๆเราเราถอนพิจารณาไปหลักการใ ห, ใหญ่ๆก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าต้นเห็ุคือร้อนเกินพวกนนะครับเราก็ใส่ความเย็นเข้าไปลดความร้อนลงลดปัญหาพวกนี้ลงทั้งที่เราจะลดลงได้นะลดพิษจากพวกนี้ลงไปนะใส่ความเย็นเข้าไปลดความร้อนลงเมื่อใส่ความเย็นลดความร้อนด้วยเทคนิคก้าวพ่อหรืออยาก้าเม็ดนั้นนะครับ<อ>สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรร่างกายมันจะเย็นลงเ<อ>ลงช่นสมมติตัวอย่างง่ายๆเช่นเรากินน้าโคลีฟีน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราินน้ำอโรฟินลปุ๊บนะคอโรฟิลมีฤทธเย็นจมากินเข้าไปปุ๊บความเย็นมันก็เคลื่อนกข้าไปที่เซลล์ความร้อนมันก็เคลื่อนออกมาตามหลักการเคลื่อนของพลังงานเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยสมมติอันนี้แก้น้าเย็นอันนี้แก้น้ําร้อนสมมุติอะไรนะมันจะร้อนจะเย็นดีดูอ้าใช่มเธอนะอันนี้แก้น้าเย็นนี้แก้น้ําร้อนนะครับพอวางคิดกันอีกสักพักนะแก้น้ำร้อนจะเป็นยังไงเย็นลงแก้น้ำเย็นเป็นยังไงร้อนขึ้นทําไมแก้น้ำเย็นถึงร้อนขึ้นก็เพราะมันรัง ความร antic, ้อนมาจากทางแก๊น้ำร้อนใช่ไหมแก๊สน้ร้อนทำไมเย็นลงก็เามันรับความเย็นใช่ไหมความมันจะเปรียกกันธรรมชาติจะเปรียกกันนี้สุดท้ายอุณหภูมิจะเท่า hmm. กันเพราะเรากินน้ำฟอสฟอร์ฟีนกไปในร่างกายเนี่ยนะความเย็นของฟอสฟอร์มันก็เคลื่อนเข้าไปหาความร้อนความร้อนมันเคลื่อนมาหาความเย็นของฟอสฟอร์มันเคลื่อนเคลียกกันเมื่อความร้อนเคลื่อนออกจากเซลล์มาหาฟอสฟอร์ีนแล้วความเย็นของฟอสฟอร์เคลื่อนเข้าไปหาเซลล์เซลล์มันก็เย็นลง มันจะเกิดผลอยู่สาเรื่องทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับตอที่ร้อนียู่มันก็คล้ายกันว่ามันเกิดความเย็นขึ้นในเซลล์มันจะเกิดสามเรื่องหนึ่งเซลล์เย็นลงนะครับเซลล์เย็นลงอันที่สองนะครับเมื่อเซลล์เย็นลงแล้วเนี่ยอันที่สองเนี่ยเซลล์มันจะอ่อนตัวจากแข็งมันจะอ่อนตัวมันเป็นสัจจานของมันะอย่างเช่นเราไปทํางานมากๆเนี่ยมันร้อนทํางานมากๆต้องใช้พลังงานใช่ไหมกล้ามเนื้อมันร้อนแข็งเต็มท้องร้อน แตแล้วแข็งโป้เลยใช่ไหมเวลาไปทํางานมากเลยวัอยี้แข็งโป้เลยแล้วเราเครียดมากๆเลยร้อนโอ้โหแข็งไปหมดเลยทั้งคอทั้งบาทเห็นไหมทำไมมันแข็งอ่ะก็ความว่ามันเผาไงมันเนื้อถูกเผาแล้วมันแข็งเสร็จแล้วพอเราผ่อนคลายเราไม่เครียดแล้วเราผ่อนคลายแล้วเราไปอาบน้าอาบผ้าผ่อนคลายนะความตึงแข็งอะไรต่างๆถ้าเราผ่อนคลายมันจะถ้าเราอารมณ์เราผ่อนคลายนะหรือว่าเราใช้งานมากๆเราอาจได้ว่าถ้าผ่อนคลายไม้ร่มกล้ามเนื้อมันแข็งไ มันก็คลายใช่ไหมเวลามันเย็นลงใช่ไหมมันก็คลายตัวนั่นแหละเราทำให้มันเย็นลงเนี่ยหนึ่งมันก็จะเย็นสองมันจะคลายตัวอ่อนตัวลงเป็นสัดส่วทั้งมัครับอันที่สามจีมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นเม็ดเลือดขาวจะแข็งแรงเพราะว่าอะไรเพราะเม็ดเลือดขาวนั้นไม่ถูกความร้อนเผาเหมื็ดเลือดขาวมันไม่ถูกความร้อนเผามันอยู่ในร่มมันจะแข็งแรงพอเม็ดเลือดขาวแข็งแรงพอเย็นลงปุ๊บเหมือนเราได้เหมือนเราได้อยู่ในร่มนี่แหละแข็งแรง พอเม็ดเลือดขาวแข็งแรงมันก็จะไปโอกรลายเซลล์มะเร็งเพราะเม็ดเลืดขาวมันมีหน้าที่ไปสลายเซลล์มะเร็งอยู่แล้วนะครับกลายเชื้อโรคกรลายเซลล์มะเร็งสลายสิ่งที่ผิดปกติโดยกระบวนการ f a r ฟากโกโเซลล์ิ่งท่เฉพาะเจ้ามลกษณที่เรียกว่าแมคโครฟามันก็จะเข้าไปโอสลายเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ผิดปกติแล้วก็หลั่งเอนไซมาสลายพอหลั่งเอนไซมาสลายในกระบวนการฟาโกเซลิสลายได้เสร็จเรียบร้อยมันก็จะส่งออกไปทางน้าเลือดน้าเลืองต่างๆนะครับไปเป็นขี้ไข่ก็ส่งออกไปเป็นขี่ีก็ส่งไปทางน้าเลืองส่งไปทางปัสสาวทางอุจระทางขี้หูตาี่จมูกขี้ปากข อ, อไปขี้สารพี้นในร่างกาย ทางระบายพิษปกติของร่างกายนี่แหละทางหูทานตาทางจมูกทางปากทางผิวนั้นทางปัสสาวะทางอุจจระเขาก็ระบายออกจากสภาวะพิษทางเขาก็ส่งออกอย่างที่ใครเราที่เป็นๆอยู่ทุกวันเนี้ยก็ผลงานของแม่คโครฟเนะี่ยใครมีที่ไครเซลลของมันเซลที่ตายแล้วเนี้ยนะเซล์ที่เสียแล้วเนี่ยนะเมื่อไรเขามันก็ไปอบสลายแล้วก็ขับออกไปที่ใครขับออกขอับออกขบออกก็เป็นอย่างนี้แหละะครับ เพรนั้นนี่เมื่อมันเป็นสลายเซลล์มะเร็งมันก็ขัดออกแบบเดียวกัน น, นั่นแหละออกมาเป็นขี้ใครบ้างทางปษษาัตตวะทางอุจสาหทางสารพาัดทางทางปกติการระบายพิดเป็นธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วที่มันมีท่อระบายนิดเข้ามาอยู่แล้วพอท่อระบายออกเซลล์มะเร็งก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงสุดท้ายมะเร็งก็หายด้วยวิธีการนี้แหละ ด้วยกบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้แหละจึงทําให้มะเร็งหายเราจึงพบคนไข้จํานวนมากมายเลยนะครับที่มาเข้าค่ายเรานี่มะเร็งเนี่ยคนไข้หลายคนพอวันที่ห้าวันที่เจ็ดเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันอ่อนลงมันยุบลงมันเล็กลงแต่ก้อนแข็งแข็งมันอ่อนลงแต่ก็จะเริ่มเห็นว่ามันอ่อนลงมันก็จะเริ่มเห็นว่ามันเล็กลงนะครับเราเจอคนไข้จํานวนมากเลยที่เขาปฏิบัติถูกต้องไปในห้าวันมันก็เปลี่ยนแปลงให้เห็นแล้ว นี่คือเราก็เลยพบว่าออามมาเรงมันหายได้ไม่ใช่มันหายไม่ได้มาเร็งก็หายได้ถ้าคุณทําได้ถูกต้องนะแต่ว่าทำไมอ่ะก่อนหน้านี้ทําไมมันไม่ก่อนหน้าเนี้อ่ะทำไมเม็ดเลือดขาวมันไม่ไปกินมาเร็งล่ะเหตุที่ก่อนหน้านี้เม็ดเลือดขาวไม่ไปกินมาเรงเพราะเหตุผลอยู่สามเรื่องนะหนึ่งร้อนก็ร้อนสองแข็งก็แข็งสามตัวเม็ดเลือดขาวเองก็เอาตัวถ้าไม่รอดเพราะอะไรครับถูกความร้อนเผาจะตายแล้ว เาตรงแง่งหองแง่งพิงเชือ ก, อกรอด ว, วันนี้นักการเรีวจะตายแไม่ตายแล้วมันร้อนไงนะตัวเองก็ทุบเขาเผาจะตายอยู่แล้วนะแต่แล้วเาไปออบนะเอาไปโออ่ไม่เอ่อไปโอเซลมล็กใช่ไหมถ่านั้าานแข็งว่าฟันหักเลยนะมันไม่ฟันหรอกนะพูดอยงั้นอกปุ๊บร้อนร้อนรอ น, รอ น, รอ น, รอนแข็งแขงแขงอยหลงังอยหลังนะเอาตัวเองรอดวนนี้นะคะแล้วมันก็มาองตัวเองท่นเนิงเชือกไม่ตายกบุนแล้วไม่ตายกบุนแล้วเน เบอราเบอร์จะถูกควารอนเผาตายเรือยเมล็ดข่าลดเรืยนะเป็นอย่างงั้นนะนันแหละทาให้เม็ดข่าก่อนหน้านี้เขาไม่ไปสลายเซลล์มะเร็งเพราะอันนี้แหละเพราะต้นเหตุพวกนี้ไม่ได้แก้แล้วต้นเห็ุพวกนี้มันทําลายเมล็ดข่าความเครียดอาหารเป็นพิษอะไรต่างๆพวกนี้มันทําลายเมล็ดเมล็ดข่านะครับมลพิษต่างๆเมล็ดข่าก็ไม่มีกําลังเพราะมรอนเผาไม่มีกําลังมันก็ไปสลายอะไรไม่ได้ สไลด์อะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้เนื้งองอกขยายไปสิขยายไปตัดบนไก่ที่ว่างก็ขยายอ ย, ย่างยขยายไปคุณก็เกิดมะเร็งไปสิมะเร็งก็ขยายไปด้วยเหตุนี้นะครับนี่คือการหายจากมะเร็งก็จะหายได้วโดยวิธีนี้ส่วจะเร็วจะช้าก็ตัวใครตไวคแล้วแต่โตไวใ ค, ใครปฏิบัติได้ดีมากมันก็ดีตามนั้นนะการปฏิบัติได้ไม่ดีมันก็ช้าตามตามการปฏิบัติของเราเป็นหล เออแล้วแบบคราวนี้มาดูแ่้วกันนี่คือกลไกลกันหายโดยแ พ, พทย์พิถีพุทธนะครับซึ่ง น, นักวิทยาศาสตร์เคียงไม่ได้หลับอันนี้นักวิทยาศาสตร์เคียงไม่ได้เพราะว่าเออนันกวิทยาศาสตร์าก็รู้ว่ามเมล็ดข้าวถ้ามันแข็งแรงมันจัดการอะไรทั้งหมดได้แต่หมองสายปัจจุบันไม่รู้วิธีทําให้มเมล็ดข้าวแข็งแรงถ้าเขาแก้เอามาเรงเขจะแก้ยังไงบางทีเ น, นี่ยเราพูดถึงแพทย์พิถีพุทธแก้ด้วยกัน ท, ทําความสมดุลใช่ไหมหรือว่ามันร้อนถอดพิร้อนออกแล้วมาเรงมันก็หายเอาลามาดูแพทย์ปัจจุบันแก้ แพทย์ปัจจุบันเขาก็ผ่าตัดขายแสงเคมีบาบัดใช่ไหมหลักๆเขาจะมีอยู่แค่สามอันนี่แหละที่เป็นหลักๆที่หมอแพทย์ปัจจุบันแก้มาเร็งสามอันนี้เนี่ยเอามาผ่าตัดก่อนอาจะรยวิเคราะห์ผ่าตัดให้ฟังคุณตัดเอาเนื้อที่เป็นมะเร็งออกเอาแล้นั้นได้เป็นมะเร็งออกมะเร็งไม่ได้เป็นต้นเหตุของมะเร็งฟังดีนะก้อนมะเร็งนั้นไม่ได้เป็นต้นเหตุของมะเร็ง ต้นเหตุของมะเร็งคือพฤติกรรมก่อมะเร็งนี่นี่นีต้นเหตุมันอยู่นี่นี่เชื้อมันอยู่นี่นี่เชื้อของเครียดเชื้ออาหารเบรคที่เชื้อมะเร็งมันอยู่นี่เชื้อมะเร็งมันไม่ได้อยู่ในก้อนมะเร็งก้อนมะเร็งไม่ใช่เชื้อมะเร็งไม่ใช่ต้นเหตุของมะเร็งมีเชื้อนี่คือต้นเหตุอยู่ในนี้เสร็จแล้วผมก็ตัดก้อนมะเร็งออกไปเลยแต่คุณไม่ตัดเชื้อไม่ตัดต้นเหตุที่ทําให้ก่อมะเร็งถามว่ามันจะเป็นมะเร็งอีกไหม เขาพบว่าแม้แต่หมอแผนปัจจุบันคนบอกว่าถ้าตัดเนื้องอกหรือตัดมะเร็งนี่แล้วมะเร็งจะกลับขึ้นมาอีกภายในห้าปีค่าเฉลี่ยนะครับมะเร็งหรือเนื้องอกจะกลับขึ้นมาอีกภายในห้าปีหลังจากที่คุณตัดไปนี่คือค่าเฉลี่ยหมอแผนปัจจุบันนักเก็บเองมันจะกลับขึ้นมาอีกภายในห้าปีตอนนี้ไม่ค่อยจะถึงตอนนี้ไม่ค่อยจะถึงห้าปีแล้วเนี่ยไปถามคุณตาไรน้าเนี่ยไอ้น้องราะพี่น้องราเรา เนีจำชื่อเขไม่ได้ของใครของใครนี่พี่น้องเราที่มาอบรมเนี่ยปาดต้งไม่รู้กี่กีปาดเฉพาะก่อนเนี่ยกองแพงกองแพงโอ้พี่กองแพงพี่กองแพงเอ้ยกองแพงเอยกองแพงเขานี่เจ้าไป้เท้าเอ้ยกองแพงเมื่อล้ปาดจ้าเชื่อเนี่ยปาดคือผ่าตัดเอ้ยกองแพงเราเนี่พา่าไดเท่าไหร่หรือไหมแปดครั้งเฉพาะในนี้เนี่ยสี่ครั้งพาไม่ถึงสองเดือนขึ้นใหม่ไม่ถึงสองเดือนขึ้นใหม่ไม่ถึงสองเดือนขึ้นใหม่ไม่ถึงสองเดือนขึ้นใหม่ แปลว่าการผ่านตัดไม่ได้ช่วยแก้ yeah. ก็ไม่ตัดท so, ี่เงินแถมตัดเสร็จหมอบอกกินมากๆบำรุงด้วนมไข่ด้นมไข่ร้อนจะตายนี่นมไข่ยังไมันร้อนไขมันมันเยอะแรลคนุลินย์คนไล่เ็กเยอะอ่ะเขาอยากหายไงเขาเลยเอาเนื้อนมไข่มากินเอาซีนมากินเนื้อคิดซมเขาก็ฟังแล้วเดี๋ยววันน้เขาเขาเล่าให้ฟังยงเขามาพูดยังยงเหรอโอเดี๋ยววันหน้าเขาคเล่าให้ฟังนะหมอก็บอกกินซีนหลายๆบำรุงเนื้อนี้กินเนื้อบรุงกินเนื้อบำรุงสอเดือนมันขึ้นใ่องเนขึ้นใหม่สองเดือนขึ้นใหม่โอ้อนนี้หมอบ ผ่านแล้วนะไม่ผ่านพาไม่ไหวละในตอนเข้ามาเนี่ยนปฏิบัติถูกนะมันอ่อนลงเลยมันยุบเลยนะเนี่ยเขากลับมาคั้งที่สองยุบลงเลยเนีะผ่านจนลุกขึ้นทีแล้วนี่อันนี้มันสมขัดพาแล้วลุกขึ้นทีเพราะงั้นเนี่ยมันแล้วผมเจอคนไข้หลายคนนะพาแล้วมก็ขึ้นใม่พาแล้วก็ขึ้นหม่พาแล้วก็ขึ้นใหม่บางคนก็หกเดือนบางคนก็หนึ่งปีเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะเกินหนึ่งปีแปก ผมเก็กบข้อมูลได้หลายคนหกเดือนเนี่ยไม่เกินหกเดือนมนักขึ้นมา แ, แต่ค่าเฉลีย่ยมันเนี่ยที่เขาทำกันอยู่ตอนนี้คือคือไม่เกินห้าปีมันจะกลับมาเยี่ยมเราใหม่ไอ้เนื้อ ง, งอกหรือมะเร็งก็ตามนี่คือสัจจานที่เป็นเพราะว่าการตัดเนื้อ ง, งอกออกนั้นไม่ได้ตัดต้นเหตุต้นเหตุตหตจะอยู่มบนเก่านี่มันก็เลยเกิดขึ้นมาใหม่และยิ่งตัดออกนะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าพื้นที่ในการเคลียรที่จิน้อยลงคุณตัดตรงไหนออกก็ตามนะร่างกายคุณน้อยลง ปืนท่อนเล็กกับปืนท่อนใหญ่โยนลงไปในกองไฟปืนท่อนไหนมันจะไหม้ไปชุดเร็วกันท่อเล็กใช่ไหมทำไมท่อนเล็กถึงไหม้ไปจุดเร็วกว่าเพราะมันน้อยกว่าใช่ไหมพื้นที่มันน้อยกว่าความร้อนก็ยุบลดสิทิใช่ไหมถ้าร่างกายคุณพื้นที่น้อยความร้อนมันมากเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมสมมติว่าพื้นที่มันน้อยลงใช่ไหมแต่ก่อนมันก็เยอะหน่อยใช่ไหมมันก็เกลี่ยกันไปใช่ไหมแต่พอพื้นที่น้อยลงปุ๊บมันก็ลุบลดสิทธิที่อยแล้ว มันก็ลุมแล้วมันกไหม้ไปจุนเร็วมันก็จะเกิดเป็นมะเร็งเร็วแล้วคราวนี้เวลาเป็นแผลนะเวลาเป็นแผลเนี่ยเลือดจะมาตรงนั้นมากเมื่อเลือดมารวมกันนั้ธรรมชาตินะเราโดนน้ำปาดโดนแก้วบาดโดนมีดบาดเป็นแผลอะไรก็แล้วแต่เรื่องไม่กัดพกช้าเลือดบาดเจ็บที่ตรงไหนเลือดจะมาที่ตรงนั้นมากพอเลือดมาที่ตรงนั้นนัมากนะครับมันเป็นเลือดที่ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย มันเป็นเรื่องเลือดที่ไม่ได้แก้ไขพร้อมแล้วเลยยังมีพิจารณ อ, อยู่มันเก่าเป็นเรื่อดที่มีต้นเหตุมาเลยมันเก่าเสร็จแล้วมันมารวมอยู่ที่เดียวแล้วมารวมอยู่ที่ที่บาดเจ็บฟังเดย ถ้ามันครามันไม่บาดเจ็บนะมันยังเอาเราเป็นมะเร็งเลยใช่ไหมเอาเราแย่เลยใช่ไหมเสร็จแล้วมารวมไปที่ที่บาดเจ็บมันจะเป็นยังไงมันยิ่งก่อมะเร็งได้มากยิ่งกวเดิมมนรวมไปที่ที่อ่อนแอแล้วโอกาสมะเร็งจะกลับมาใหม่เยอะในที่ที่ผ่าเองนั่นแหละตอนจึงได้ยินเสมอหมอก็พูดหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามักจะพูดว่าเฮ้ยมะเร็งถ้าไม่จําเป็นอย่าไปแตกมันนะมันเหมือนยาลังแตนคุได้ยินไหมมันยารังแตนนะยิ่งตัดมันยิ่งแตกยิ่งตัดมันยิ่งแตกยิ่งตัดมันยิ่งแตกรู้ไหมว่าทำไมยิ่งตัด ปุบเลือดมันที่มั น, นพิษมันมากองไอ้ที่ตรงนั้นมากมันยิ่งแตกมันยิ่งกระจายอันนี้เราคือการแย่รังแตงแย่รังแตงรังเพิ่มเลยแหละเพราะฉะนั้นไม่จำเป็น่ะไปตัดมันมันเสี่ยงที่กิ๊บร้อนจะมาตรงนั้นมากพอพิ๊ร้อนม า, มากมันจะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นตรงนั้นตอนให้คุณสกัดตรงนั้นได้นะมันจะไปที่อื่น คุลงผาว่นลูกสินะคุณผ่าม่นลูกไปมันไม่มีมันไม่มีพิษมันไม่มีที่ออกนะเอหออกก็ลูกไม่ได้ไม่ฆ่าออกฆ่าออกเต้านมก็ได้วะเดี๋ยวมันก็ออกไปที่เต้านมคุณผ่าเต้านมซ้ายมันก็ออกเต้านมขวาผ่าเต้านมขวาออกเต้านมซ้ายไม่อมีเต้านมให้ออกไปที่ไหนก็ได้วะไปสมองก็ได้อไปกระดูกก็ได้ไปตับไปไตก็ได้มันก็ไปได้ทุกที่เลยมันจริงลามฉังนั้นถ้าไม่ตัดต้นเหตุมันจะลามไปทั่วไปทั่วไปทั่วเลยอันนี้อันตรายอันตรายมากเลยการตัดที่ไม่ตัดต้นเหตุนี่อันตรายนะครับ ผมเจอคนไข้หลายคนที่ เ, เกิดอุบัติเหตุนะเขาไม่ได้ตรวจเจอมะเร็ง น, นะแค่เขาเกิดอุบัติเหตุแขนขาดแขนหักขาหักนะหรือว่าถูกกระแทกที่ใดที่หนึ่งเสร็จแล้วอีกสักพักเขาเจอว่าตรงนั้นเป็นมะเร็งผมเจอเยอะมากเลยนะครับเอ๊ะทำไมไมันถึงเป็นทีแรกก็ไม่เข้าใจคว า, ามจริงคนไข้คนนั้นนะเป็นมะเร็งมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าร่างกายเขาเกลี่ยมออกได้เขาก็อยู่ได้อย่างสบายแต่เมื่อเขาเกิดการบาดเจ็บขึ้นปุ๊บเลือดมันไปกองที่ตรงนั้นมาก เลือดพิษไปกองที่ตรงนั้นมันก็เลยก่อเป็ น, นกลไกก่อมะเร็งที่เราว่าไปแต่ขั้นต้นนั้นมะเรงก็เลยขยายเราก็เลยชัน่นอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดมะเร็งที่แท้จริงนั่นก็คือการตัดที่ต้นเหตุพฤติกรรมก่อมะเร็งต้นเหตุของมะเร็งพวกนี้นะครับควาไม่สมดุลจะเป็นต้นเหตุของมะเร็งจะเป็นคําตอบนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัดเนื้อจะต้องตัดสาเหตุของมะเร็งทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือทำความสมดุลทั้งหมดจะจบมะเร็งได้ น, นี่คือการเริ่มกันผ่าตัดนะใช่ไหมมดลูกนะถ้าไม่จําเป็นอย่าไปผ่านะใครก็ใครถอะนะมดลูกเนี่ยไม่จำเป็นอย่าไปผ่าเพราะมดลูกเป็นจุดขับพิษที่ดีที่สุดของผู้หญิงเดือนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนนั่นแหละที่การขับพิษในกขณะที่ผู้หญิงก็มีประจำเดือนเนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยสบาย เช่นก็าจะงวดยีบบ้างนะไข้ทับฤดูบ้างปวดกระดูกบ้างอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะมีอาการไม่สบายบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือพิษที่มันเคลื่อนออกมานะครับ mm hmm. พอพอไะเจริญก็หมดเขงขับออกไปหมดปุ๊บอาการไม่สบายทั้งหมดก็หายไปทําไมมันจึงหายไปครับเพราะว่าพิษมันออกไปหมดเสรแล้วคุณตัดมดลูกออกแล้วจะให้มันออกไหม แค่ตรงไหนมันไม่มีที่ออกมันก็ไปทุกที่เพลเดียนแหละนะไปทั่วอะไรแล้วนะเดี๋ยวก็ไปเต่านมเดียวก็ไปทุกหนไปที่ไปต่ำไปไตไปสารพัดที่เพราะฉั้นไม่จําเป็นอย่าไปตัด ม, มดลูกแม้จะหมดประจำเดือนแล้วก็ตามมันประจำเดือนเนี่ยมันก็ยังระบายพิษออกอยู่มันระบายออกจากม้ามน ะ, ม, ม, นะ ม, ะมดลูกนั้นเป็นจุดระบายพิษจากม้ามม้ามไปส่งพิษไปที่มดลูกไปที่ตักอ่อนแล้วยิงไปที่มดลูกแล้วส่อมลูกหมากแล้วระบายออกเส้นม้ามที่เรา ก, กดตอนเช้าน่ะ คุ ต, ตัดมดลูกครบม้ามคุณพังทันทีนะมันไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> ตาม่อนพังม้ามพัง ม, ม, ม้ามีหน้าที่อะไร ม, ม, ม้ามีหน้าที่กําจัดสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายโดยเฉพาะเม็ดเลือดที่ตายแล้วเม็ดเลือดที่เสียแรงหมดคุณภาพแล้วก็จะส่งไปกําจัดที่ม้ามคราวนี้พเพรมดเลือดไม่ม้ามมันมีพิษมันกําจัดไม่ได้ ไม่เลือดตายแล้วคุ้งนีงนั่นแหละเน่าอยู่ในตัวคุณนั่นแหละกำจัดออกไม่ได้ก็กลายเป็นของเสียหมดพอาเม็เลือดกาจัดไม่ได้กลายเป็นพิษอยู่ข้างในก็นเน่าเสียอยู่ข้างใ น, น ม, ม้ามจะส่งพลังงานที่เป็นพิษมาทานกระเพาะเรื่อย ม้ากระเพาะเขจะส่งคิดถึงกันได้ส่งพลังงานเหมนกันดีก็สมงดี้หมืกันชั่วประสมช่วเหมนกันที่ก็จะส่งเหมือนกันเขาเป็นอวัยวะคู่มาาจะส่งน้าย่อยสมงอะต่างๆนะส่งพลังงานมาถึงกระเพาะมันเป็นสัดส่วนมาอันนี้แพทย์ทางเรือกเขาจะพบกระเพาะคุณจะพันตามพอกระเพาะคุณพันปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นดูดซึมอาหารได้ไม่ดีพอดูดซึมอาหารได้ไม่ดีพังทั้งระบบหนึ่งของเสียกำจัดออกไม่ได้สองดูดซึมอาหารไม่ดีพังทั้งระบบ ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับหลายคนที่ตัดมดลูกเนี่ยคุณไปถามเขาได้เขาจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกพลังชีวิตเขาจะไม่ค่อยดีหรอกผมสักประวัติหลายคนแล้วผมเก็บข้อมูลหลายคนแล้วคนที่ตัดมดลูกเขาจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เขาจะมีอาการไม่สบายเรื่องอย่างนี้แปลกๆในร่างกายเขาอยู่นะครับอันนี้อันตรายครับอันนี้สําคัญเนะแล้วถ้าไม่จะเป็นอย่าไปตัดมดลูกแต่ผมก็ไม่ได้ต้างเรื่องการผ า, าตัดทั้งหมดนะฟั ง, งดีๆนะ การผ่าตันดนี่ถ้ามันมีเหตุผลใดจําเป็นนี่ผมยอมได้ผมยอมรับได้เช่นไส้ตันลําไส้กัดมันตันนะ่นะะเรืงง่องงอกมันอุดเต็มหมดเลยอันถ่ายไม่ได้ถ้าไม่ผ่าตายอันนี้ต้องผ่าเพื่อระบายให้ถ่ายได้นะครับจําเป็นหรือมดลูกกรณีมดลูกที่ถ้าเราปฏิบัติยาก้าเม็ดแล้วทําไงก็ไม่ดีขึ้นนะมันก็ไม่ดีขึ้นคุณไม่มีความสามารถมากพอที่จะที่จะทําให้มันดีขึ้นได้ คุายาเก้าเม็ดวมันก็ไม่สามารถมากพอที่จะให้มันดีขึ้นได้แล้วมันก็ปวดทรมานมากเกินไปหรือแม้ที่อื่นนะที่ทําให้เรารู้สึกทรมานมากเกินไปคือถ้ามันอันอยู่อย่างเนี้แล้วมันก็ทำให้เราทรมานมากเินไปเบียดเอาไว้ว่าสำคัญหรือมันทรมานเรามากเกินไปคุณก็ตัดออกได้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะทําให้มันลดความทุกข์ทรมานลงได้ถ้าการตัดนั้นสามารถลดความทุกข์ทรมานได้ผมก็เห็นด้วยกับการตัด เพราะฉะนั้นผมไม่้ต่อท่านการตัดทั้งหมดถ้าการตัดลดคอบทุกข์ทรมานลงได้นะครับลดขอบทุกข์ทรมานลง โดยก่อนที่คุณจะลดโซ่ทุตข์ทมาร์ตนั้นเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมันมันไม่เก่งพออ่ะมันไม่เก่งพอที่จะลดความทุตข์ทรมาร์ตได้เยอย่าก้าวเด็ดนี้ฝีมือเราไม่ถึงอาศัยการผ่าตัดร่วมด้วยได้อันนี้ผมก็ยังเห็นดีด้วยหรือบางครั้งต้องผ่าสมองนี่นะโอ้โหน่ะมันมีเลือดออกในสมองเฉียบพันธุ์นี่ก็ผ่าไปเถิดหรือบางทีเนื้องอกที่มันมากมันเบียดจนจะระเบิดแล้วสมองจะระเบิดตายแล้วเราปฏิบัติอย่างนี้ถอนยิบไม่ทันเนี่ยนะก็ต้องผ่าออกไปก่อนเสียนผ่าไปก่อนนั่นยอมน สรุปแล้วเนี่ยถ้าการผ่านั้นมีประโยชน์ถ้าการผ่านั้นช่วยลดความทุกข์ทรมานโดยที่เอถ้ามีตัวชี้วัดว่าถ้าไม่ผ่าแล้วจะเป็นอันตรายมากหรือทุกข์ทรมานมากผมก็ยอมได้ยอมผ่าได้ตรงเนี้ยผมไม่ได้ตีที้ทั้งหมดนะแต่มันควรจะผ่าในกรณีที่มันสมควรถ้าไม่สมควรก็ไม่ควรผ่านี่คือความความเห็นส่วนตัวความเหนส่วนตัวแต่แม้ผ่าก็ต้องควรจะผ่าเอาพิษนี้ออกด้วย เพื่จะพาต้านเหตุออกด้วยไม่ใช่จะไปพาแต่แต่ไอตัวเอ่อตัวที่อะไรอนะ่ะตัวที่มันเป็นปายเหตุ ไม่ควรจะผาแค่ปลายเหตุถ้าผาไปมันจะเป็นต้องผ่าก็ผ่าแล้วควรจะแก้ต้นเหตุด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าใครต้องผามัดลูกแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะโอ้เราผ่าไปแล้วทําไงยุ่งขึ้นยวงเลยผ่าแล้วก็แล้วไปอย่าไปทุกข์อย่าไปเศร้าเสียใจอย่าไปทําทุกข์ทับผมตนนะใช้เวรใช้กรรมไปแล้วก็แล้วไปนะกรณีแล้วลาเป็นคำจะได้หมดนี่ปฏิบัติทบลมตาใหม่นะคุณก็กดจุดลม้าดีๆทำลม้าใหม่ให้มันระบายออกทางอื่น ให้มันระบายออกทางอื move, ่นแทนแม้แต่คนไตวายชนิดไตทํางานไม่ได้เลยก็กลัวสารออกแทนดีเท่าสอกแทนอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันออกทางอื่นแทนน่ะสบายออกทางอื่นแทนได้ทําทางระบายทางอื่นให้ดีทําความสมดุลให้ดีเราก็จะสามารถมีชีวิตอย่างภาสูวนได้เหมือนกันนะถ้ามันผ่าไปแล้วก็อย่าไปเสียใจถ้ามันผ่าไปแล้วก็อย่าไปเสียใจเราเราทำไปแล้วเราทาความสมดุลให้ดีมันจะเกิดประโยชน์กับเราอันนี้คือก็ณีของเรื่องผ่าทีนี้เรื่องกรณีใช้แสงกับเคมีบําบัด นะเป็นอย่างไรอ่ะใช้แสงกับเพีมีบำบัดในะช้แสงก็เพีมีบำบัดเอาเอาเอาใช้แสงก่อนนะใช้แสงนี่เขาจะ ปีกอบนะแล้วก็ส่องแสงลงไปปีกอบก็จะส่องลงไปตรงนี้แหละแล้วก็ใช้แสงลงไปนี่ยเขาใช้แสงจากกรรมะถันรังสีกรรมะถัพรังสีนี่เขาเอาไปทําระเบิดปรมาณูนะฆ่าคนนะ่ละตายทีละแสนทีละล้านนั่นแหละอันนี้แหละเขาเอาแสงที่ฆ่าคนนะั่ทีละแสนทีละล้านนี่แหละนะมาทําเป็นแสงส่องลงไปฆ่าเซมเบรลิงพอเขาส่องลงไปปุ๊บปีกรอบไว้นะส่องลงไปปุ๊บรับรองเลยผมว่าเซมเบรลิงมันตายแน่ มันคงไม่รอดอะนะขนาดเขาตายข้าวมัได้เป็นล้านน่ะนะแต <c oughs> ่แล้วมันยิงไปคนเดียวใช่ไหเลยงตายจริงๆ <c oughs> แต่ถามว่าพลังงานความร้อนมันอยู่กับที่ไหมพลังงานเนี่ยมันไม่อยู่กับที่ฮันดูทฤษฎีโดยหลักการปฏิบัติมันไม่อยู่กับที่มันจะกระจาย <c oughs> คุณตีกอรว่าริงเดียวเดียวมันกระจายไปทั่วเองอ <c oughs> วิธีพิสูจน์ว่ามันกระจายสองเรื่องหนึ่งคนไข้เดี๋ยโอ้เจ็บัวทุกทรมานนะออกร้องไปทั้งตัวเราใช้แสงทีเดียวออกร้องทั้งตัว ปากเปยืยปาก้องขื่นใส่ เ, เจียนเวียนผมว่าพรมร่วมงำดำไปทั้งตัวเลยใช้ที่เดียวทำไมมันดํามาทั้งตัวล่ะถ้าพี่ไปอยู่ที่เดียวทำไมมันถึงไหม้ไปทั้งตัวการไหม้ไปทั้งตัวแปล ว, ว่าพี่มันขยายหรือชัดที่สุดอีกประเด็นหนึ่งนะ หมอก็จะบอกแ่าโอ้นะเนี่ยใช้แสงนี่ไม่เป็นไรนะหมอเขาตีกรอบไปตรงนี้ปลอดภัยไม่เป็นไรล็อกหมอเขาววางกันนะไม่เป็นไรลอกม่ทำใจนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นหวางกันนะขอปอกใจคนไข้เสร็จทำไงจะยิงแสงแล้วจะยิงแสงแล้วสขาเรียกันนะมหลบด้วยหลบด้วยมาหลบด้ <c oughs> ม, ห ล, ดมหลบอยู่ในห้อง <c oughs> ห้องกันแสงเลยนะ <c oughs> ถ้าสมมุติมันไม่กระจายจริงมันยิงลงที่เดียวจริงก็ยืนเป็นเพื่อนคนไข้ส <Links. S 1> ิแน่จริงเอาสิ่าเดี๋ยวยนเป็นเพื่อนนะไม่งังวลนะเอาสิเอาสิแก่ป่ะเอ้ยแล้วเลยนา่ากีเนี่ยอยพูดยิงกัมาพู้พุอยู่คนละห้องเลยกันยืนอยู่คนละห้อง่เออแล้วก็หอบเลยนี่อยู่คนละห้องเลยแต่รับฝ่ายันไข้รับเต็มเ็มเลยใช่ไหมนั่นแหละเขาก็รู้ว่ามันกระจาย มันไม่อยู่กับที่หรอกมันกระจายไปทั่วตัวคนไข้เลยแล้วมันจรินมันกระจายไปทั่วบรรยากาศด้วยในศูนย์มะเร็งเต็มไปด้วยพิษของแสงทั้งนั้นแหละนะเจ้าหน้าที่ศูนย์มะเร็งมีป่วยเยอะมากป่วยได้เพราะว่าราอ้อนเกินนี่แหละเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นมะเร็งเป็นออไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยนี่เนี่ยแทยบปัจจุบันบางท่านรักษาไม่ได้แล้วก็รีเฟอร์มามีรีเฟอร์พยาบาลคนหนึ่งมาตาปูกลก่อนรักษาไม่ได้ก็ก็ส่งมาที่นี่ส่งมาให้ให้เราช่วยดูแล ส่มาเพว่อเขาเล่าให้ฟัไมเพื่อนหมูเป็นเยอะจังครับเยอะจอยู่กับดอย่างนั้นนะไม่เยอะไงนะแสงมันกระจายไปทั่วมันไม่ได้อยู่แต่ตัวคนไข้นะมันกระจายไปทั่วพลังงานมันไม่อยู่กับที่คุณก็รับควเจ็มเจ็มนะหวเยอะเขาบอก่า ท, ทำไมเพื่อนหมูป่ว ย, ยเยอะจััเยอะีพีดเจเต็มนัหละใช้แสงนี่มันก็ไม่ได้อยู่กับที่ความร้อนกระจายเขาไปทั่วเลยมาดูเคมีมบำบัดนะเคมีบำบัดนะชีพสารเข้าไปนะสารที่มีอิเล็กตรอนมากนะ มีริดล้อน ม, มากขนาดสองประเด็นตอนนั้นหนึ่งนะมันจะไหมเส้นเลือดถึงจะไหมดำไปหมดมแลอวคนไข้ออกร้อนตามเนื้อ ต, ตามตัวครับเขาหมาย <rí> e> อะไรออกร้อนตา ม, ตา ม, มเนื้อตาตัวคนปากเปื่อยปากคลองผมร่วมคืนไส้อาเจียนเนวียนหัวดำไห ม, มทั้งตัวเลยแหละสารพัดทรมานทั่วทุลายคนไข้เกือบร้อเปอเซ็นต์่นนั้นครับมีบ้างน้อยที่จะไม่ออกอาการเนยมันร้รอน ม, มากเขาหมายอะไรเขาหมายจะฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตาย ให้ความร้อนมากขนาดนี้ร้อนมากขนาดที่ว่าคุณเชื่อไหมครับว่าเขาออกกฎมาเลยนะครับออกระเบียบ ม, มาว่าห้ามให้คนผสมยานั้นฉีดยาต้องแบ่งกันคนหนึ่งผสมคนหนึ่งฉีด เพื่ออะไรครับแบ่งพิษกันคนเล็กคนละไม่ใช่คนเล็กกั น, กนามากคนลมากไม่คนเดียวทําเพราะอะไรครับมันจะรับพิษเยอะแล้วมันจะตายเร็วงานเจ้าหน้าที่ประสมยาเน่ยไม่ใช่สนุกเล็กน่าแต่มั น, นรนับพิษนะแล้วไอ้พวกฉีดก็ลับพิษนะแต่รับพิษมากที่สุดไอ้คนโดนคนโดนเต็มเต็มคนเดียวคนเดียวคนภาษาไม่พอค่าคนเดียวค่าคนเดียวหมอคนผสมยาสุือคฉีดยาเอาคนละประมาณหนึ่งแต่คนใข้รับ เ, เดียวเต็มๆเพียวๆรนะับเต็มๆไปนะโอเคแล้วนกะ็เกลี่ยพิษกันไปหนักเฉลี่ยๆๆเฉลี่ยกันนักเฉลี่ยลา่าทุกขลาบทุกขลาเฉลี่ยทุกข์กันไปนะ ม, นนมัมนร้อนมากมันน้อนมากจนมีพลังชีวิตตกไปแหละเข้าหมายอะไรเข้าหมายอะไรเข้าหมายจะเอาพลังงานความร้อนนั้นเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตาย แล้วคุณคิดว่าพลังงานควอมร้อนแล้วนะมันจะมีความรู้สึกโอ้มันเป็นสิ่งมีชีวิตมีความรู้สึกนะเวลามันเข้าไปปุ๊บมันฆ่าแต่เซลล์มะเร็งเซลล์อื่นมันไม่ฆ่าง่ายะพลังงานเนี่ยมันเลือกได้เหรอไอ้ที่ฉีกเข้าไปนะโอ้มันอะไรเป็นมะเร็งมันวิ่งไปหาเฉพาะเซลล์มะเร็งนะโอ้พลังงานมะไรมันพิเศษตอนนั้นมันมเลือกถูกไอ้เาะฆ่าเฉพาะมะเร็งไม่เซลอื่นไม่ฆ่าซะงั้นเหรอมันมีทางหรอกถ้ามันเข้าไปมันไม่รู้เรื่องหรอกมันก็สมมติคุณเอาไฟมาเผาเลตัวคุณเนี่ยนะ มันจะเผาเฉพาะไอชิวเป็นอย่างเผาเลยมันก็เผาไปทั่วเลยแนั no ่นนะไฟมันจะรู้เรื like ่องไหมว่าม like umm ันจะเผาเฉพาะมะเร็งมันจะรู้เรื่อไม่มันไม่รู้เรื่องอมันเผาไปทั่วนั่นแหละเซลล์อื่นตายหมดเลยเซลล์อื่นก็ตายด้วยโดยเฉพาะเซลล์เม็เลืดขาวเซลล์เม็ดลือดขาวก็ตายตายที่เกือบหมดเลยเซลล์เม็เลืดขาวมันลดลงอย่างมากตาบหมดเลยนะแล้วมันได้เกิดอะไรขึ้นทีนี้คนที่ใช้แสงกับเคเบลบําบัดมันด้เกิดอะไรขึ้นแสงมันร้อนมากเคเบลบําบัดมันร้อนมากอย่างที่ว่านี่ ร้อนขนาดไหนครับร้อนขนาดที่ว่ามันทำให้คนตายได้คนเพีเยงเดีมเดียวตายคันเดียวตายร้อนขนาดนั้นทำให้คนตายได้เพยในคันเดียวที่ยิงลงไปในบางคนมันร้ายได้ขนาดนั้นร้อนขนาดที่ว่ามันฆ่าคนเป็นล้านได้พ้องเป็นกรรมฐานองศีมันฆ่าคนเป็นล้านได้มันจะเกิดมาเร็งไหมอีกไม่นาน และเป็นมะเร็งที่ร้ายกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นฟังกดีนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันจะเกิดมะเร็งใหม่ที่ร้ายกว่าเดิมในเวลาอีกไม่นานหลังจากที่คุณฉายแสงกับเคมีบาบัดเพราะอะไรครับเพราะว่าพิษร้อนที่ใส่เข้าไปใหม่นั้นหมายจะฆ่าเซลล์มะเร็งนั้นเป็นพิษร้อนที่ร้ายยิ่งกว่าพิษขอที่ก่อให้เกิดมะเร็งเดิมอีกฟังดีนะ มะเร็งเดิมก็จะเอาเราตายอยู่แล้วใช่ไหมขนาดพิดร้อนประมาณเนี้มันยังจะเอาเราตายอยู่แล้วเสร็จแล้วคุณใส่พิษใหม่เข้าไปที่มันรยายกว่าพิษเดิมอีกลายต้องรู้กี่หมื่นเท่าอ่ะก็กินอาหารเป็นพิษเนี่ยมันตายทันทีหระกินอาหารไม่สมดุลมันยังไม่ตายทันทีใช่ไหมโดนเคมีดอกเดียวตายทันทีได้ไหมได้เลยนะมันต่างกันขนาดนั้นแหละ อันนั้นกินอาหารเป็นที่กินอยู่ยี่สิปีใช่ไหมก่อนจะเป็นบางคนห้าสิบปีใช่ไหมก่อนจะเป็นมะเร็งสี่สิบห้าสิบปีเสร็จแล้วสี่สิ้าสิบปีคูณสาม้าวันไม่เท่าไหรก็ไม่รู้นะแต่็จแล้ทีโดนเคมีดอกเดียวเลยตายคาเลยกี่เท่าคุณไปมันกี่เท่าโอ้มันํารู้กี่เท่านะมันเป็นิษก่อกันรู้กี่เท่าเพราะฉะนั้นมันจะเกิดมะเร็งใหม่ที่ร้ายยิ่งกว่าเดิมร้ายยิ่งกว่าเดิมเพราะพิษใหม่นั้นมันร้ายกว่าพิษเก่าร้ายยิ่งกว่าเดิมพิษเก่าคุณก็ ตกลงคลิปเกา่พเกาพฤติกรรมเขาไปทำเหมือนเกา่าเวอคลิปใหม่ที่ไรไปเดิมอีกโอโ้สองเด็กเลยทีนี้มะเร็งเก่าก็ต้องเป็นมะเร็งใหม่ก็ต้องเพิ่มสองเด็กเลยหมดท่าแลยมไม่มีคนไข้ในการรักษาเลยนะจากแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะอันที่สองหนึ่งเกิด ม, ม, ม, ม, มะเร็งใหม่ทำไมจะเกิดมะเร็งใหม่เพราะว่าเม็ดเลือดขาวมันถูกฆ่านึงนะ ต้นเนี่ยก่อที่ก่อมาเริงนั้นมันร้ายยิ่กว่าเดิมอันที้สองเมล็ดขาวมันถูกฆ่าตายจํานวนมากแล้ว่าเกิดหมดเลยแล้วเมเล็ดขาวมีหน้าที่อะไรครับเมล็ดข้าวเป็ที่กินมาเร็งคุณรักษามาเร็งแต่คุณฆ่าตัวที่มันไปทําลายมาเร็งไงคุณรักษามาเร็งแต่คุณทำลายเมล็ดขาวอธิบายกลไกมาซิว่ามันจะหายยังไงฮะรักษาโดยเคมีว่าบัดช้แสงอธิบายกลไกทางวิทยาศาสตร์มาซิว่ามันจะหายยังไง ก็ในเมื่อเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่กินมะเร็งสลายมะเร็งแต่คุณทาลายเม็ดเลือดขาวคุณไปฆ่าตัวสลายมะเร็งอะแล้วมะเร็งมาจัหายได้ยังไงอธิบายกลไกการหายมาซินึกไม่ออกผมก็นึกไม่ออกพาตัดผมเลยรับได้นลคุณก็ พ, พูดนะที่อยู่ที่ผมว่ามาเมื่นกี้นะแต่ไอเคมีบำบัดกับใช้แสงนี่ผมรับไม่ได้นะจะว่ารับไม่ได้กันรับไม่ไดนะ้คือผมไม่เห็นว่ามันมีกลไกรักษาตรงไหนเลยนะ ก็ทำไมคุณบีบคอไปคนไข้ไปทำจังไงฉายแสงกอาพีวีบํนบานัดนะไม่มีกลไกในการหายเลยอธิบายทางวิทยาศาสรมาสิจะหายยังไงเอาคนไข้ามาให้ดูด้วยเอาเอามาดูซิอัตาการหายเนีมากไหมเอามาดูซิไหนคนไข้ที่หายเอามาให้ดูหน้าเลยสิที่หายดวยวิธีนี้เนี่ยหายอย่างวัตชีวิตดีมีกี่รายเอ า, าให้ดูซิเข้าหาแค่ไปได้ คือคนหายหายได้มาได้เลยเออหาได้ไม่ได้เลยรับรองเลยนะคือคนหายไปสิมันนีอาัาราการหายสูงเมื่อไหร่มันได้แปดสิเซ็นเจ็สิแปดเ็ตขึ้นไปเมื่อไหร่มันก็จะไม่มีมันไม่มีกลไกในการหายเลยเสร็จ แ, แล้วนะหนึ่งนะมันเกิดมะเร็งใหม่ที่ว่าท้องไม่เลือดขาวตายใช่ไหมไม่สามารถไปกินมะเร็งได้อันที่สามนะครับเซลล์ต่างๆตายไปด้วยนะไม่ใช่เฉพาะไม่เลือดขาวนะแน่นอไนไอ้มะเร็งเดิมมันตายแต่ไม่ได้เกิดมะเร็งใหม่ที่ร้ายกว่าเดิมแล้วก็ เอ่อเป็นเลือดขาวตายเซลล์อื่นตายไปด้วยตกลงคุณอยากตายหรืออยากหายเอ้าอยากหายทําไม่ฆ่าตัวตายอ่ะอยากหายก็ทําไมไปทําลายเซลล์ตัวเองอ่ะก็ในเมื่อการที่เราจะมีชีวิตอยู่คือเซลล์มันต้องปลอดภัยใช่ไหมก็แล้วจะมีชีวิตอยู่ไปทําลายเซลล์ทาไมอ่ะวิธีจะมีชีวิตอยู่เซลล์ก็ต้องไม่ถูกทาลายแต่คุณก็ไปทำลายเซลล์เซลล์ที่เหลือก็ถูกทาลายหมดเลยตกลงเม่เรื่องขาวก็ถูกทำลายเซลล์ที่เหลือก็ถูกทําลายพอเซลล์ที่เหลือถูกทําลายมันก็ตายไปหลายส่วนแล้วเซลล์หลายส่วนตายไป นักจากตายไปแล้วธรรมชาตินะกราณีธรรมชาติของเซลเนี่ยร่างกายมนุษย์เองนะเวลามันตายไปเนี่ยเพราะว่ามันทํางานไปมันรอดไปมันตายมันผิดตู้ไปเม็เลือขาวมันจะไปกินแล้วก็สลายมันผิดตู้ไปปุ๊บม็ดมเลขาจะไปกินแล้วก็กสลายธรรมชาติร่างกายมนุษย์มันมีมะเร็งอยู่แล้ว <S <S ทุกค น, นเป็นมะเร็งอยู่แล้วเซลล์คุณผิดปกติตลอดเวลา <S <S แต่ทุกคุณไม่เป็นเพราะเม่เลือดขาวคุณแข็งแรงแล้วมันไปกินไม่ให้มันเกิดมะเร็งมันก็เลยไม่เกิด แต่คราวนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่นะนะไอ้มาเร็งที่เกิดขึ้นโดยปกติโดยธรรมชาติก็ไม่รรมีเม็ดข้าวไปกินใช่ไหมมาเร็งโดยธรรมชาติก็ต้องโผล่ขึ้นอยู่แล้วมาเร็งใหม่ที่เกิดจากการเผาของเคมีที่คุณใส่เข้าไปของแสงที่คุณใส่เข้าไปเผาให้ผิดรูปยิ่งกว่าเดิมอีกเมล็ดขาวก็ไม่มีปัญญาไปกินตกลงมาเร็งทั้งแบบเดิมก็เกิดมาเร็งใหม่ก็เกิดเ ข, ขาจะรักษาอย่างไง ก็รล่าเาได้กันฝันต้านั้นเละกับเขาเรื่าสองข้างคู่จะฝันก็คุณจะเผาไม่ก็เล่าอะไรอย่างนี้หละมันชัดมากมันนี่คนไกในการรักษาเลยนะมีคนไข้มะเร็งผมคนหนึ่งนะเป็นครูเป็นมะเร็งตับเอ้ยเป็นมะเร็งปอดรลยสุดท้ายมารักษาที่ของเราเนั้นดีขึ้นภายใน้าวันโอ้สดชื่นแข็งแรงอาใจโลกกลับไปปุ๊บนะหมอก็บอกว่าไงครับพกลับไปปุ๊บหมอบอกว่า โอ้ไปทําอะไรมามองมองแพทยปัจจุบันนะตรวจปอไปทําอะไรมากพอทำไมดีขึ้นเราบอกงั้นนะโอ้ดีขึ้นอย่างมากเลยเขาตรวจแล้วบอกดีขึ้นอย่างมากเขาก็บอกว่าแต่มัต้องใช้แสงนะมันต้องเคลมีประบัดนะไม่งั้นมันจะกระจายเขาวางงั้นไ่ะไม่งั้นไม่กระจายเขาก็ใส่เลยนะปุ่มๆๆๆๆๆเสร็จแล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บไม่กี่วันครับมันกระจายไปสมองกระจายไปกระดูกเข้าไอซีูตาย อะไรมันชัดมากผเจอคนแ่อย่างนี้เยอะมากเลยนะแม้จะมาอย่างนี้ก็เถอะนะโอ้โหเจ้ากไรเวรดื้จริงเลยนะระวังเถอเจ้ากรรนเวรของใครกของใคร อ, อ ย, ยดูยนะที่เนี้ยมามาเนี้ยดินไปแต่ผมรู้ใครมีเจ้ากรราเวรมากก็ดไปมากตอให้มาเจอทางนี้ไม่ใช่คิดว่าคุณจะรอดจากเคมีนะเดี๋ยวเจ้ากรราเวรมัสุกใสสุกใสสุขใ ส, ส, ขใ ส, ส, ขใสจะผ่านไป นะจะขากไปตอให้เจออย่างนี้ก็เถอไม่ใช่จะรอดได้ง่ายเราจะกลับในเวรก็ยังมีอยู่ดึงไปถ้ามีบุญอยู่ก็บุญมันจะดึงกลับมากมัจดึงกันไะปดึงกันม า, น, มานะอย่างนี้แหละแต่บุญขอ ง, นะ ง, งคุณเองกันแหละดคือคุณเองยกไปโยกมาบุญบาปก็จะดึงเองของเนะครับมีคนไข้คนหนึงเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนี่แหละ เป็นมาเีทิตเตานมระยะ ส, สุดท้ายก่อนมะเร็งเนี่ยนะเสร็จแล้วมาปฏิบัติของเราประมาณสี่เดือนยุบไปสามสิสี่สิบเอร์ซนยังไม่ยุบก็กลายเป็น ย, ยุบด้วยยุบแลกล า, ายเป็นน้าไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตสามสิสี่เอร์ซนต์หมอนพิจิวันตรวจแปลกใจอุ้ยเป็นไปได้ไงมันยุบมันนี้ได้ขนาดนี่เป็นไปได้ไงเนี่ยหมอผู้งงนะโอ้ไปทําอะไรมาเขาก็เล่ให้ฟังรักษาธรรมชาติบำบัดแบบนี้แต่หมอก็บอกว่าต้องใช้แสง น, นะต้องเคมีดบำบัดนะไม่งั้นมันจะกระจายยังไงมัน แล้วก็ดึงคนใกล้ไปทํำมันก็ยื้ออยู่พอสมควรนะผมเขาบอกก็ถ้าคุณจะไปทำตามไม้มันก็ยุเพเห็นดีก็เห็นเห็นเนี่นะเขาก็เอมันมีเหตุปัจจัยอะไรก็ไม่รู้นะญาติก็อยากให้ไปให้ไปใช้แสงเพมีบํำบัดนะญาติก็อยากให้ไปพ่อแม่อะไรต่างๆญาติอยากให้ไปหมอผู้เชี่ยวชาญอาจารย์หมอคนหนึ่งในประเทศไทยก็อยากจะให้ไปทําหมือนกันนะแล้วบอกมาเลยที่หมาเราเนี่ยแค่ทั้งเรื่องกระจอกระจอกแค่พีพูดคือกระจอกระจอกไงนะ โอ้เราไม่ได้มีเครดิต อ, อะไรยังไปดึงอะไรใครเหรอทำนะไม่มีรีทวีเดียร์เราก็ได้แก้พูดสัจจาให้ฟังผมสุดท้ายผมก็บอกสู้เขาไม่ได้เขาจะต้องไปผมก็บอกอ้ า, อาถ้าถ้า ถ, ถ้ามันชัดขนาดนี้แล้วคุณยังต้องไปผมก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดคือแต่ก็ไม่ได้โกรยก็นนะก็บอกอ้อผมก็พวลว่าวิบากคุณนะวิบากคุณก็คงมีนะคงไปทํำวิบากมามันถึงดึงไปนะก็ขนาดเห็นหลักหลัๆว่ามันดีอย่างเงี้ยยังต้านไม่ได้ พีงไม่รู้คนไข้มีคนนึ่งเป็นมะเร็งมาได้สองสามวันกลับไปก่อนไม่รู้จะวิบากดึงเองสามมาเจอเล้องใจเดไปโดนเอาเท่ า, า, น, า, น, านั้นก็ไม่ได้ว่ากันวิบากนี้วิบากของใครกของใครมันห้ามไม่ได้ฟ้าก็ห้ามวิบากใครไม่ได้เพราะว่าคุณทุกคนมีวิบากแล้วขนาดเห็นหลักงหลั่งว่ามันดีขึ้นคุณก็ยังไปนี้ ก็ยังไปก็ยอมปล่อยเข้าไปเขาปล่อยไปเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับแน่ๆที่ยังดีอยู่นะเขาไปทำสองสามเดือนแรกโอ้ธมารายงานที่อาารดีๆดียังได้อะไรนะทำไมดีแล้วไหมครับอาจารย์หมอเนี่บอกโอ้ยอาจารย์เอาเป็นเคสตัวอย่างเลยนะขอเป็นเคสเลยนนั้ให้เคมีตัวนี้ดีมากอะไรเงี้ยนะอาจารย์หมอที่ขอเอาป็นตัวอย่างเลยเพอะไรแล้วไหมครับเพราะเขากินน้ํำยาหนางไปด้วยนะปฏิบัติตัวเองนี้ไปด้วยมันเย็นยังไงมันสู้กันได้ไงมันมันสู้กันได้มันก็ดีสิใช่ไหมมันก็ยังดีเห็นภาพอะไรมันดีสู้กันได้ไง พมัสู้กันได้มนดีอยู่เนี่ยนะเพราะว่าคนไข้ผมหลายคนนะปฏิบัติแบบนี้ไปด้วยเนี่ยเขาแม้ไปโดนเคมีโดนอะไรเนี่ยเขาก็มีผลน้อยนะคือเขาเกิดทุกน้อยอ่ะไม่เหมือนคนอื่นที่ไม่กินนั้นเน้นน้ำไม่ไปฏิบัติไฟเขาก็ดีพอได้แต่คราวนี้เนี่ย นะเขาก็ปฏ right right ิบัติอยู่เท่าเดิมใช่ไหมก็กินน้ำมันา้กินอะไรต่างๆพวกนี้นะเท่าที่เขาทำได้นนี่แหละแต่เคมีวัมบาร์ที่ใส่เข้าไปตลอดปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแต่พอใส่เข้าไปมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้านี่ยแต่ว่าการปฏิบัติไอ้นี้มันก็มีฤทธิ์เท่าเดิมใช่ไหมปังงอมไหมของเรามาทําเท่าเดิมแต่เขาเนี่ยใส่พิษเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อพิมันมากขึ้นรู้สกสามสี่เดือนแบบนี้สามสี่เดือนปุ๊บไอ้น้ำาันน้ำเริ่มเอาเอาเคมีไม่อยู่แล้ว เริ่มเอาแสงมาอยู่แล้วนะครับพอเริ่มเอามาอยู่เป็นไงครับเขาก็เริ่มอ่ อ, อนเพลียอ่อนลา้าเริ่มหมดเรื่องหม ด, รหมดแรงอ่อนเพลียอ่อนลา้าหมดพลังชีวิตหมดพลังชีวิตไม่มีแรงขยันขยี้น้ำเน่น า, นานกินแล้วไม่มีแรงทําอาหารสุภาพกินละพอไม่มีแรงปุ๊บ ก, ก็ปล่อยให้เคมีทำงานอย่างเดียวเลยทีนี้เข้าไปตุ้มตุ้ตุ้มตุ้มจนสุดท้ายเขาก็โทรมาโทรม า, โทรมาบอกนะว่าโทรมาเขาบอกโทรมาสองเรื่องเขาวอกนี้ย เร่งแรกก็าบอกโทรมาขอโทษอาจารย์ผขอโทษนะเอ๊ะทำไมไม่ไม่แปลกอะไรเนี่ยไม่ต้องขอโทษอะไรนี่มันจะมีอะไรหรือเล่าเขาก็บอกว่าขอโทษที่ไม่ได้ไม่ได้ทําตามอาจารย์ขอโทษนะที่ไม่ได้ทําตามอาจารย์เขาก็โทรมาขอโทษแต่ความจริงผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะแต่รู้ว่าสงสารสงสารเขาจะแย่แล้วแล้วเขาคือเส็งแผ่วอะไรมากเลยนะแล้วคนที่สองก็บอกโทรมาลาตายครับโทรมาลาตายแล้วจากวันนั้นคนไข้คนนี้ก็ไม่โทรมาอีกเลย แล้วผมก็ไม่กล้โทรไปสะมองดูตนตานีตนบ้างตนสกว่าผมก็ไม่กล้โทรไปเหมือนกันไม่กล้โทรไปเชื่อกันแต่คือเขาก็โทรรายงานตลอดอะหลังจากที่เขาพูดเจ๊งแบบว่ววันแล้วก็โทรมาสองคนี้ก็ไม่โทรมาอีกเลย ก็ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ถ้มีชีวิตอยู่นะเผื่อไปเจอยาตินะเพราะว่าถ้ามีชีวิตอยู่เขาก็ตองโทรมาเพราะว่าเขาโทรรายงานตลอดเนี่ยโทรรายงานตลอดก็คงน่าจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นวิบากคนยุคนี้แต่ผมก็ขอบคุณหมอแผนปัจจุบันนะจริงๆผมจะไม่ไม่ใช่คนที่ต้านเคมีบำบัดแบบผมรู้วมันมีได้ยังไงเคมีบำบัดหรือใช้แสงนี่จริงๆแล้วเป็นประโยชน์นะเดี๋พูดให้ชาติอีกทีจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนยุคนี้เนี่ยเอาคำถามกิมคนใกล้กียุคนี้นะใกล้กียุคนี้คนทําดีคนทําชั่วรือค่ารวมจะทําอะไรมากกว่าทาชั่วมากกว่าใช่ไหมคนทําชั่วนี่จะมีปริมาณมากกว่าคนทําชั่วหรือทําไม่ดีคนจะได้ลผลดีหรื อ, อลผลไม่ดีก็ต้อได้ผลไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีเคมีบำบัดกับใช้แสนนี่เขามีมาเพื่ออะไรก็ไม่เพื่อให้คนได้ใช้ที่บาน ผมก็ไม่ไปต้านเขาหรอกนะพอวัดใกล้กี่ยุคไปเขก็ดีเ้มกันนะใครมีวิบากก็ไปใช้ใช้ไปหมดหมดนะใช้หมดก็หมดใช้ไม่หมดก็ไม่หมดหรือบางคนมีปุณก็ใช้ไปที่ต่อเขก็ดึงมาก็มีนะอะไรเงี้ยนะก็ก็ต้องขอบคุณหมอในปัจจุบันที่ทําไว้พวกนี้ไว้ให้คนได้ลงนรกนะได้ไปใช้วิบากให้คนได้เรียนรู้ว่านรกมีจริงนะนโลกใบนี้ให้คนได้เรียนรู้ว่านรกมีจริง เขาก็ไปใช้พิบาติบางคนใช้พิบาตหมดเขาก็มาบางคนใช้พิบาติไม่หมดก็ตายคานี่ยแหละอะไรเงี้ยอะไก็แล้วแต่แล้ ว, วก็ปีวันผมก็ไม่ได้เกิดไม่ได้อะไรแล้วคิดว่าคงไปห้ามไม่ได้เพราะมันใกล้ปียุคนี้มันจะต้องมีเรื่องเลวร้ายเข้ามาให้คนได้เดือดร้อนเป็นธรรมดาใครใครมีเจ้ากรรมนายเวรเขาจะดึงไปเจ้ากรรมนายเวรเขาจะดึงไป ไม่หมอแผกิจบก็มาทำหน้าที่เป็นโุงพอบาลอ่ใครมีจะมีเวรมีกรรมนะเราก็เซ็นม้ามาเรียกมาบังคับเลยนะขู่เข็นเลยอะรเลสารพัดเรื่องไม่ทันตายนะไว่าอะไรเกันะเขก็หาวิธีสารพัดนะมาคนดีพทคนดีมาลคนดีมามาเชื่อนี้เชื่อนี้เ่เขึ้นบัญชีนังมาไปแล้วมาสนดีมาคนดีเก็ดึงมาดึงมาดึงมารกันโดนกันโดนกันตะปีตะปันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เราเราขึ้นบัญชีนังม้าไปเต็มเลย แต่ใครที่มีบุญมันจะหลุดจะหลุดนะบางทีมีบุญมากๆไม่ต้องไปโดนเลยแต่บางคนมีวิบากบ้างมันมีเจตนาอะไรไบ้างก็เช่นไปโดนเหมือกันโดนเตะเอา้ามีคนดึงมางรอดอะไรอย่าเงี้ยนะก็มีนะมีสภาพรูปแบบบางคนดึงไปปลายขานั่นเลยก็มีนกะ็แล้วแต่คนก็จะเป็นยังไงก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเขาแต่ผมรู้สัจจะว่ามันใกลก้เกี่ยวยุคผมเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา อยู่ที่ใครจะมีบุญจะรอดหรือไม่รอดนะจะไปลงนรกเนะีใครยังไม่เข็ดกับป้าอีกนะยังไม่เข็ดอยากลงนรกต่อกับป้าอีกนะนรกเป็นยังไงอะไรย่า้ยังไม่เข็ดนกรกกับป้าใคนะรนะขเข็ดแล้วก็มาขึ้นสวรรค์แต่นะขเข็ดแล้วก็มาขึ้นสวรรค์ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานอย่างงั้น เอาละนะที่ว่ามาอย่างนี้ก็อย่างที่ว่ามาเนี่ยนจริงๆแล้วผมไม่ได้ต้านการรักษาในปัจจุบันทั้งหมดที่ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เอาอะไรที่เห็นว่าเป็นโทษเป็นภัยผมก็พูดไปตรงๆตามความเห็นตามข้อมูลที่เราเสนอไปแล้วก็ไม่ได้ว่าพี่น้องต้องมารักษาแผนนี้ทั้งหมดนะไม่ใช่ผมจะปล่อยไปตามบุญตามกรรมอ่าเราให้ข้อมูลออกไปแล้วก็ใครมีบุญกรรมเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างน้อยที่สุดเราควรจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หน่อยนะจะเลือกใช้วิธีการไหนเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องไทยก็ช่างนะเป็นนักวิทยาศาสตร์หน่อย ยังงงง่ายเป็นต้อวิทยาศาสตร w w ์หน่อยเก็บข้อมูลหน่อยว่าวิธีไหนได้ผลแค่ไหนวิธีใดได้ผลแค่ไหนเขาใช้แต่เขาเคมีประวัติเขาผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยได้ผลแค่ไหนแตปัจจุบันเอาแผลพุทได้ผลแค่ไหนเอาแผนทางเลือดอื่นๆได้ผลแค่ไหนเก็บข้อมูลหน่อยเพราะอะไรครับอย่างน้อยเราน่าจะเสียงครสมมตินะเสี่ยงเลือกแต่ตัวที่มาได้ผลมากที่สุดใช่ไหมเพราะถ้จะเสียงควรจะเก็บข้อมูลหน่อยเพื่อเราจะเก็บได้พอเก็บได้พูดเราก็เลือกว่าใช้ตัวไหนหายมากที่สุดลองเปรียบเทียบเก็บข้อมูลหน่อยอย่างกรณีของ แผนแผนพุทธนะครับแผน์ในปัจจุบันแผนพุทธกับแผนปัจจุบันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันนีนะอัตราการหายของมะเร็งเนี่ยของเราหายมากกว่าเยอะแต่น่นอเรามีคนตายอยู่เรากู้ไม่ได้สบี่เอร์ซนเราเหงอยู่อสิบสี่เอร์เซเรากู้ไม่ได้แต่ปสิเปซ็นติดแปสิกเปอรซตเรากู้ได้คดีขึ้นเขาคิดอยู่ได้มากมีคนหายมีคนที่อยู่ได้มากแปดสิบกปอร์ซนตะแต่ของหมอแผนปัจจุบันเป็นไงครับว่าตายไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์น เนี่ยเซกันทรมานกันเกือบร่าเปร์เซนตเลยมันอัตราการหายอัตราการตายมต่างกันเยอะนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับลองเปรียบเทียบกันดูเอาหน้าต่อให้มันเท่ากันก็ได้นะสมมุตินะเราก็ตายคุณก็ตายคุณก็ตายเราก็ตายสมมติต่อให้เปอร์เซนต์เท่ากันเลยนะแต่ความจริงมันไม่เท่าหรอกของเราเปอร์เซ็นต์หายเยอะกว่าต่อให้เปอร์เซ็นต์เท่ากันคุณไปดูข้อที่สองสิใครทรมานมากกว่ากันแผนปัจจุบันกับแผ่นพูดใครทรมานมากกว่ากันโอ้แต่ปัจจุบันนะโอผม ผมล่วงคืนใส่อาเจียนเวียนหัวเป็นฝืดเป็นคันเป็นนูนเป็นนี่สารพัดหมดเปียวหมดแรงกินข้าวกินน้ำไม่ได้ปากเฟยปากพอยยมเยกแยะไปหมดเลยใครเป็นเผาครอมรับมันเาผนเทาทรมานมากมายเลยนะแทนพูดเ จ, จะเป็นทรมานอะไรใช่ไห ม, มนลารนะคาะ ยังมากเขาแ่ไม่อร่อยเทนั้นเองเจตมันเ็าแค่เจอเท่านี้แหละมันทำไมเลยกว่านี้หรอกมันก็เจอวันไหนก็จไหก็มันไม่เป้านะลูอลานะโอทุกๆตำนานต่อให้อร่อยกินไม่รู้ดเลยปากเลอยปาทองหมดมันไม่รู้ดหรอกคุณจะไปคิดว่าเป็นรักไทยันจะได้กินอร่อยนะ่มันคืนไปลงคอเราจะมาวข้าหรืเจ็บปากงั้นกินไม่ลงหรอกลง มันไม่อร่อยเราต้อให้อาหารอร่อยอะนะมันเป็นอย่างงั้นที่เรามันท ร, รมานน้อยกระคันเยอะแล้วอัตราการเจ็บการปวดอะไระนี่จนตาเงี้ยเยอะเลยของเร า, าจะสงบจะสงบได้มากลดความทุกข์ทรมานได้มากนะหรือเอาเราต่อให้ท ร, รมานเท่ า, า, าไรก็ได้คุณไปดูอีกข้อหนึ่งสิ อ, อะไรประหยัดกว่ายกันอนะระหว่างแผนพูดกับแผนปัจจุบันอะไรประหยัดกว่าแผนพูดสร็จใช่ไหมกินข้าวเกวเลือเปืดอะไร น, นะปะูอ่ะกินข้าวเกลือ นะกินเยวะซื้อไงเยอะวีิบาทไม่ไปซื้อเรกินฟรีซื้อน้ำมาเกินจะละซื้อน้ำกินซื้อเยอะไปเลยซื้อหลับเงพะโทคูน้าไม้คุณมันจะคูนขุดช่วงช่วงชีวิตคุณมันจะคูนหมดไหม ไม่คุณคุณไม่มองลอกผมว่าช่วลงชานไม่ใช้อีกมาก็จะลงตานี้ยเท่ากี่บาทเท่ากี่บาทคุณจะลัตคุณเซียอะไรมือคุณเองอะไรอย่างเงี้ยนะโอเ่อเราก็อยากจะตายนะเท่ากับเกลือห อ, อมแซ่บักชุ่มโขลกโชกเกตานะประหยัดน่านะประหยัดมากเลยโอ้แล้วคุณจะยินไหมเคยแม่แบบแปัจจุบันเป็นไงโอนะเป็นใา้แสงไปอะไรต่างๆหรือเข็มีบำัเคย้ยไหมเข็ ม, ข ม, ขขมละหมื่นเข็ละแสนเคยได้ยินไหเข็ล้านามีเลย เขบาร้านยังมเลยสารว่าตายไหมเขบาร้านว่าตายไหมโอ้เอ็นะขนาดแพทย์ในกระทรวงพากระตายเลยมอใหญ่ในกระทรวงสองสามคนเนี่ยมันไม่ใช่สองสามคนมากกว่านั้นอีกแต่เด่นๆอยู่สองสามคนเด่นๆเนี่นะเขาใส่ทุกยี่ห้อแหละแล้วก็ตายคานี่ยเลยมันแพงเขบร้านก็มีจริงๆแพงแล้วหายผมก็ไม่ว่านะแต่แพงแล้วทรมานแพงแล้วตายแพงง้อทำไมใช่ไหมเออถ้าต้องตายจริงๆตายแพนทำไม ตายถูกๆไม่ได้ี่ย้องพระเจ้าเขาถึงตายถูกเลยใช่ไหมเขาจะตายไปตายตายตกใบ ตุกทุกเลยไม่เสียตังค์เส่าเลยตายเนี่ยเป็นเพราะัเป็นแบบอย่างเลยเป็นรู้ที่ประสบที่สุดในโลกถ้ะท่ายังตายตุกทุกเตายแพงทำไมเอาถ้ามันหายจริงเราก็ไปว่าหรอเราทำมันแพงมันก็ต้องสู้แล้วชีวิตคนต้องเอาใช่ไหมมันต้องเอาแต่ว่าแม่แพงก็ไม่หายนี่มันก็มันไม่คุ้ันถ้าจุกทุก็ดีกว่ารง่ายนก็ใช้อะไรที่ถูกีเชื่อไหมครับมีแค่ปัจจุบันท่านหนึ่งนะเป็นมาร็ง ไม่ใช่เป็นมะเร็งเป็นหมอเป็นแพทย์รักษามะเร็งท่านบอกไว้เลยนะครับว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังรักษามะเร็งอยู่ท่านท่านพูดเองเลยนะครับว่าถ้าผมเป็นมะเร็งนะผมไม่รักษาในปัจจุบันเด็ดขาดท่านบอกนั่เข้านะเพื่อนแพทย์ไป ก, ก, กัระถานนะครับความจริงนี่แพทย์ท่า น, นมาเอ่าลห้ผมฟังก็เลยถามว่าทาไมทําไมจึงไม่รักษาในปัจจุบันเฮ้ยเป็นมะเร็งยังก็ตายอยู่แล้วอะ ตายกวางยังไงแลตายทรมานทำไมทรมานทำไมเพราะว่าทชินเนี่ยผู้ป่วยที่มารักษาส่วนใหญ่เป็นทรมานแล้วตายทรมานแล้วตายทรมานแล้วตายทรมานแล้วตายนะต้องตายทรมานทำไมตายสงบงดีกว่าท่านบอกว่าผมขอเลกตายสงบสงดีกว่าใช่ไหตายทรมานทำไมตายสงบสดีกว่าเน่มันมันไม่ทุกไทรมานดีที่ขนาดแพย์เองยังไม่เอาแต่บางคนแ้่บังท่านก็เห็นจนโอ้ไม่เอาดีกว่าเขาไปสงบสงบดีกว่า ก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันนะว่าจะเลือกออกแบบไห น, นแต่ในความเห็นส่วนตัวของผมนะต่างมข้อมูลของผมเนี่ยพบว่าอย่างนี้นะครับการรักถ้าเป็นมะเร็งนะโรคอื่นแล้วเราค่อยว่ากันในทีถ้าเป็นมะเร็งนะรักษาแผนแผนพุทธอย่างเดียวเนี่ยอัตราการหายหรือว่าอัตราการยืดอายุออกไปหรือทรมานน้อยเนี่ยอัตราการได้รับผลดีนี้มากที่สุดนะครับถ้าได้ลองลงมานะผลดีลองลองมาก็คือว่าใช้แผนปัจจุบันกับแผนทางเลือกเนี่ยคู่กันแผนพุทธคู่กันผมก็ยังเห็นว่าควรจะใช้คู่กันนะถ้าถ้ามันจําเป็นจริงๆนะ ถ้าบางคนยังต้องโดน่ะมีวิบาทก็ต้องโดนอย่างน้อยใช้คู่กันที่มีลูกศิษย์ผมเป็นพยาบาล บางคนนั้นให้เขาทํางานเรื่องเนี้ยดูแลผู้ป่วมะเร็งหลังใช้แสงหลังเคมีต่างๆเขาเพราะว่าถ้าใช้วิธีกินน้ำแม่ น, นางแล้วปฏิบัติตัวอย่างที่ผมพาทำเนี่ยทําให้พิษของของผลข้างเคียงจากยาเคมีต่างๆเนี่ยลดน้อยลงเขาก็บอกเธอบัรหายเร็วมันรูุเราเร็วนะครับอย่างน้อก็เอาไปช่วยกันกนยังได้ น, นะ <c oughs> เอาไปกินก่อนเอาไปปฏิบัติก่อนก่อ น, นจะโดนอย่นี้ะโดนเสร็จก็ถอนอีกอะไรเงี้ยนะมันก็ยังช่วยให้พิษนั้นไม่มากเกินไปในกรณีคนมีปัญหา ผมก็ยังเห็นว่าเอเอยินดียวไปใช้ร่วมไม่มีปัญหาเราทม้เพื่อแนแม่คนทรมายมากเกินไปก็ยังก็ยังไม่ไม่ได้พูดสารอะไรแล้วแต่บุญของคนแล้วเขผมก็เจอคนใกล้คนท่คนก็กินน้ำมันดังไปเรื่อะไรื่อยๆเขาก็ามาเล่าว่าไม่ค่อยแพ้อะไรมอสพอสู้ได้เจอหลายคนก็มองมองไม่ไม่ผนังธรรมด์วอะไรเงี้ยมี่ีมีคนใกล้คนีเดียวแหละมาเล่าให้ฝันพีแต่วิธีที่ได้คนน้อยที่สุดก็คือ แทนไมจะมาแรงเดียวที่ได้ผลน้อยที่สุดในการรักษาบริเวณนี่เลยซด้ผลน้อยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นแล้วแล้วท่านจะเลือกอะไรซึ่งเราก็สัดให้ไม่ได้เจ้ากรรมนายเวรจะเลือกเองวิบาสของท่านจะเลือกเองปัญญาของท่านเจ้ากรรมนายเวรของท่านจะเลือกเองว่าจะต้องเป็นอะไรยังไงจะต้องเป็นอะไรยังไงอันนี้ก็แล้วแต่หนันี้เขก็ไม่ได้เครียดไม่ได้ทุกอะไรเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนบุญที่ยังเลยอยู่ท่านผมก็ไม่เครียดไมทุกอะไรครับ โอเคนะฮะวันนี้เราต้องวิเคราะห์มาถึงมะเร็งก็แล้วกันนะวันหน้าเราจะวิเคราะห์เบาหวานความดันไขมันปวดข้อปวดเขาปวดตัวดตัวต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมนะวันหน้าเรจะวิเคราะห์โรคอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็เดีวิเคราะห์เรื่องอาหารเรื่องการถอนพิษต่างน เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะประเดี๋ยให้เราชัดขึ้นอันนี้เอามาเร่งก่อนเพราะว่าทุกคนมีโอกาสเป็นมีสิทธิ์เป็นแต่ถ้าเราปฏิบัตินะเพราะอะไรครับเพราะทุกคนมีสิทธิ์เจอพิษเหล่านี้เช่นกันเลยพิษจากคมเพรียดอาหารเป็นพิษอะไรต่างๆนี่นะมละพิษต่างๆนการการบริหารไม่ถูกต้องเนี่ยมลพิษต่างๆเนี่ยมันเข้าไปในตัวเราเรามีสิทธิ์ที่จะเดินทางเป็นมะเร็ได้ทุกคนนั่นแะทุกท่านก็มีสิทธิ์เดินทางเป็นมะเร็ได้ทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามาแค่ที่ต้นเหตุับ พราทำยาเก้าเม็ดของเราเนี่ยนะยางน้อยที่สุดเนี่ยมันก็คนที่คนที่ไม่เป็นมันก็ป้องกันไม่ให้ต้องไปเป็นยาเ้าเม็ดป้องกันมะเร็งได้นะคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งปฏิบัติยาเก้าเม็ดก็ไม่ต้องทรมานที่จะต้องไปเป็นมะเร็งคนที่มันเป็นมะเร็งแล้วก็มีโอกาสที่จะหายหรือยืดอายุออกไปได้มากหรือทุกทรมานน้อยนะครับก็ ก็ยังใช้ประโยชน์จากยาก้าเม็ดได้ใช่ไหมตอนเราก็เลยต้องเรียนรู้ยาก้าเม็ดนี้ให้ชัดๆนะครับว่าเราเรียนรู้ต้นเหตุอะไรต่างๆให้ชัดๆเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กลัวมะเร็งถ้าเราเข้าใจมันชัดแล้วนี่มีลุกสิษยผมหลายคนนะครับเดินไปเห็นองกลัวมะเร็งเมื่อกี้มะเร็งเหรอไม่น่ากลัวเลยหลายคนแล้วจะนี้ไม่กลัวเลงเป็น่ากลัวเลยเรื่องศิษย์ผมคนนงก็อยู่ที่สเกตนะเข้าไปตลาดคนนั้นคนนี้เริ่มพูดเรื่องมะเร็งคนนั้นตายคนนี้ตายเลยรมามะเร็งเหรอไม่น่ากลัวคนงงทั้งตลาดเลยนะเฮ้ ทำไมไม่กลัวมะเร็คนอื่นเขกลัวถ้าตายขนาดห้อยังกลัวขี้คนสุดท้ายเลยคนนี้ไม่กลัวมะเร็งเขาบอกกลัวทาไมคะรูวิดีแก้แล้วเูวิธีการรู้วิดีแกแล้วกลัวทำไมมาเร็งเขาเขารู้จางไหนไปหาหมอเคียวไงโซ่หมอเคียวบอกคนแหละมะเร็งเป็นอย่างยิ่งยิ่งเงี้ยแล้วิธีแก่ยิ่งมีวิธีการวิดีแก่บอกไว้หมดแล้วไม่กลัวอะไรกับมะเร็งคือมะเร็งมันไม่น่ากลัวอะไรหรอกอาจจะว่าไปไม่น่ากลัวก็คือไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวก็ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะรักษาให้หายได้หรือยืดอายุออกไปได้รดความทุก มันได้นะครับหรือคือรีบรีบร์ของเราแต่ที่น่ากลัวก็คือว่าจริงๆมันเป็นไฟไฟหยดสุดท้ายแล้วนะคือเติมไฟไปอีกนิดเดียวตายมันเป็นโรคที่ร้ายที่สุดแล้วถ้าเติมไฟไปอีกนิดเดียวไฟธาตแตกตายเมล็ดเนื้อก็คือว่าโรคที่อยู่ในขีดที่เรียกว่าถ้าเติมไฟธาตไปอีกนิดนึงเนี่ยหรือว่าไม่แก้ไขเติมไฟธาตุไนิดนึงเมล็ดจะแตกตายจะช็อกตายมอยู่ในขีดที่จะตัดชีวิตอะไรทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเราถอนพิจารณนั้นออกนะ ถอนพิร้อนนั่งออกไปออกไปออกไปคุณก็สามารถอยู่เหมือนคนปกตไิได้อยู่ได้หรือยืนยันได้หายได้มันอยู่ที่ว่าเราจะถอี่เราได้มากน้อยแค่ไหนแต่เฉพาะตัวที่มันเป็นมะเร็งเนี่ยมันอยู่ในขีดนั่นแหละมันจะมันจะปิดชีวิตเราแหละในขีดของมะเรงนะ็งงั้นแต่ถ้าเราถอนพี่้อนได้เราก็อยู่ได้จนขีดมันมะเร็งห า, หายหรือไม่มีมะเรง็งหรือมะเร็งน้อยลงจนในขีดคนธรรมดาก็ได้ แต่ที่เราเป็นอย่างนั้นที่น่ากลัวก็คือว่าอย่าเล่นกับมันอย่าประมาทนะรีบดูแลตัวเองให้ดีตรงที่ว่าเปนรไฟเป็นนิดเดียวาตายแต่ที่ไม่น่ากลัวก็ว่า มันมีวิธีรักษานี่คือขอาไม่น่ากลัวถ้าเรารักษาได้ถอนที่เร า, เาไปได้มากๆเราก็อยู่เหมือนคนปกติทั่วไปไปท่านเราก็ไม่แตกตายง่ายๆแม้เราจะเติมร้อนบ้านเป็นบางข่าวมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราถอนทิษไปได้มากๆนะะก็ถอนพิษได้อันนี้อนะอันนี้ก็คือทั้งจะว่าน่ากลัวก็น่ากลั ว, วจะว่าไม่น่ากลัวก็ไม่น่ากลัวเพราะเรารู้ที่ไปที่มาทั้งมันะ อนนี้มันมันก็จะไม่นา่ากลัวเลยเอาละครับวันนี้ก็มีข้อโรคต่างๆมาจนถึงประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปได้กินข้าวกินหน้าไม่ได้ดีท้องะสดยอะไรกันนะจะได้แชบเมืนช่เท้าถอนสิกันเอาละครับสำหรับวันนี้เอาไว้เที่อนครับสาทุครับ